ลงไปดูกระบวนทัพมือเสกเขียนเห็นออกเงยนเล็กมารอ้อมจนเข้าเป็นค่ายไว้อย่างนั้นแล้วก็กเกณฑ์ทหารที่ทักรักษา ม, มั่งคนเข่งขันเป็นนักหนา mm hmm. ก็ตีพิษกับทหารกองทัพมือเสเขียนตั้งกระบวนทัพแต่เพียงนี้เห็นทีจะไม่กระไร mm hmm. พอจะทำการเอาไายชนะาไดา mm hmm. ีคมเป็นพิจารมาแล้ว mm hmm. ก็กลับมาอย่างค่าย เรียกมาใต้เรียเอ็กมากระซิดฟังเป็นความรับให้ยกฐานได้ตั้งขึ่งหลังเขาแล้เกณฑ์ฐานให้ขุดคูไว้หน้าค่ายดีกนเหล็กมันก็ต้องหนักด้วยคูขึนดีเขาเลือยฟางให้ขุดคูไว้าคาให้ปีแปะปิดปากคูวัดแล้วมนแตกนั่นอ่ะก็เอาฟางเอาดินมาเกลียทำกลลวงขวัด และมวึงก็เรียกเกียร์อูมาทีเดียวแต่ไม่เคยเรียกมาฟั่งแต่เรียกเกียรีอมาถามว่าท่านจะทำาอมอุมาสิ่งไหนที่จะรบเอาชายชนะทหารมีลเสยเกียรได้บ้างเกียร์อูเนควัมดังนั้นนะก็รู้ในความคิดของขมวึงก็จึงตอบว่าทหารเหล่านี้มีฝีมือและมีกาลังมากกว่าเกียรแต่สติปัญญาน้อย หาดีในกลมของความไหมา่แม้นเราเรียนโดยความคิดแล้วก็จะได้คลายคณะเป็นมั่นคงที่ยวกับต่อเป็นหนึ่งอื้รวมโดยความคิดเท่านั้นไม่แก่ท่าที่มาที่แจงแสดงเหตุเกิดจึงทุกประการบอกหกหลงโขงมเ่งฟังเพียงอ์อีกล่าวเท่านั้นก็รู้ด้วว่าเพียร์อีรู้การมีต่ลอดแบบก็ติดเราะและก็พูดว่า ผมเด้่จะทำเองก็ชวนกันกลับมาบอกแกอดกิดออกิด้ฝันก็คิดฝงฝ่ายนึนกันเมียตันเพื่อรวมคิดกันเมียตยันอ่เป็นฝา่ายนู้นว่ะก็าดแกอดกิดว่ะอันการสงครามเนี่ยทหารมากเขาก็จะนวงเอาไทเทนะาขาดศึกว่าเป็นทหารน้อยคือทาเงียบสนบไว ดูเพื่อมีทหารน้อยนี่ดูตระกูลปีไก่สงครามคือตามตำราทำไหวอย่างนี้ทำทหารมากก็จะเลี้เอาเดยจะกระทำว่าทหารน้อยเลี้งให้ขาดติดตายตายแต่ถ้ามีทหารน้อยเห็นจะทําการเอาไัยคณะไม่ได้ก็จะทํางานไหวดูมีทหารมากหวังให้ขาดติดคร า, า, รามนี้มายกเข้าหอโขมทมันตรายได้ เมียตันเขาว่าอย่างนี้คือเดียวคนเปเมียตันนี่เขาเป็นขุนนางฝ่ายนี้นะเขาพิมานตำราพิเศษสงครามดะยกตำราพิเศษสงครามมาว่าแต่นี้เราก็เป็นผู้ละ่งขุนหลวงผู้เป็นอิป ร, ราชมีเสฉวนธรรมการดัง่งนี้ถ้ารอยว่าถามในข้าี้มันมีน้อยเป็นคำงวงเรา ทำสนน์งงไว้ได้เราเกรงกลัวจําเราจะหเอาไค่คนเบ่งจะได้จิงมจะชอ็อกนี่แ ง, ง่ฐานว่าอย่างนี้เลยตารามว่าไว้อย่างนี้นี่ออกกิจเด็กฝันก็พากันโยกหานเดินพาเข้าไปในไข่คนเบ่งออกกิจขนคนเบ่งถึงกิดจับปีนขึ้นเกวียนน้อยพาฐานเดิมาสิบคนมึนจะออกทางหลังไขอ่อ่ะเอป็นอย่างนั้น เนท่จะถืออาวุกระหนี่เพื่อนปราบถืเกิดตับตีเรื่อ น, น, น, นดิบกรีดริกมีดในด้านหลังไข่ยอดกิดก็ยกขันไล่ตามไปถึง้อกเขาหลังไข่ยผเบ่งก็แท็กเตือเข้าไปในป่าอันรกครับเมียตันไม่จีบมาแต่ออกติดวะถึงขงนเบ่งทำเพื่อนิสเห็นจะเป็นโกนยาวแต่ทิ่งานนี้ก็ตามเถอะเราก็ไม่กลัวจะทําคนมาประการใอย่างไรก็าหาหวาดหวั่นไม่ ไม่ต้องเอาใช้ชนะผมได้ เ, อดเือนจัมไดแม่ตันวันก็ผดีวนอียกฐานล่อออกมาทังหน้าคายก็โกรธสั่งห้านปูนเหล็กร้อมเข้ามาทีเดียวอตีก็นยกฐานไล่เข้าไปเกียวปู ก, ก็ล่อไปทางที่ขุดคูคดักเข้าไปแล้วติดแต่ตมาคูเอานหยามากลี่ว่าป็นำไปแล้วเนี่ย อ, อตีกับเม่ตันน่ะไม่ได้สำคัเลยแล้ที่นั้นเป็น ที่เขขุดดักตนเข้าไว้เพราะน้ำค้างที่เลนนะ่ะอากาศเย็นจากแดดบบุขาวโพลมจนมากลือไปหมดน้ำค้างติดอยู่เป็นติบนี่ฉะนั้นก็ไม่รู้หรอกก็เริ่มถ่นวนเหล็กและธ่านมาฐานดองเท้าล้อรถยนต์ก็ไปจมลงก็ตกลงไปคูขุนของผลเบ่งน้นพันซึมเลยถันคกวนเหล็กที่เหลืออยู่ก็ถอยกลับมาให้ เ, เดยวก็เขารบต้านหน้าไว้ในานะก็ทานระเาาดีเตี้ยอินกับมาตายเตียวเอ็กก็ยกฐานเป็นสานลบ ก, กัดหลังเข้ามามาตาแหตัตีนขึ้นมาจะคูได้มาตายก็ขวบมาเข้าจับแหน่ตัได้เตี้นหินเห็นออกดกิจคานขึ้นมาจะคูจั่นั้นก็ขวบมาไล่เข้าไปเอาดาบฟันออกดกิจคอขาดกระด็น ถึงแก่ความตายแล้วก็ได้ไล่ข้าวปันฐานเมืองเสกเขียงเลมปากกยแตกจึงกระจัดกระจายกันไปทีเดียวมาต้ามันก็เอาเตัวเมษัานมัดพันธนาการเข้ามาให้แก่ข ง, งเบ่งขุนเบ่งคอยทหารเข้าไปแก้มัดเสียแล้วก็แต่งโต๊ะเต็มอย่างเมษฐนเสกตูราพูดจาเสียกรมโดยดีเป็นอันมากเทียนท่านขงเด่งเห็นว่าเมษฐานเนี่รู้คุณอ่อนน้อมตอบสนแล้วก็จริงว่าพระเจ้าเล่าเสีอน เชประวิเพระเจ้าย็นเต ร, รับสั่งให้เราไปกำจัดไอ้พวกเจนสัตรูรด้ไปสมบัติตัวท่าเนี่ยจงกลับไปทูนเพชรเกลียวเกียร์เพืเ่อจะได้ถูพยาบาทเราเลยเพื่อจะได้เป็นไมเกรตต่อกันสูบไปมีคนไบรรงกระทำเช่นนี้คือต้องทำไมเกรีวะเพื่อเป็นเพื่อไม่ให้เป็นศึกแบไม่พายหลังขึ้นเหมือนอย่างที่ อ่าได like sure er so we ้เกิดพามาแล้วกับมือม่านของคือเ่งเอ็ก่ะเออไปเปลี่ยไปเกลี่ยเห็นเคยเกรี่ยอยู่เป็นม่านอื่นมืองกลเลยอ่าไม่ว่าพลอประเทศว่างั้นเอาผมไม่เกลี่ดกองเป็นอันี้แล้วก็จัดเจงทหารและเกลี่ยเครื่องฟาดดาวุฒิยิบก็ได้ทั้งที่น่ะมอบคืนไม่ขึ้นเลยครีไปจนหมดแม่สังก็ยินดีอ่อกด แต่ความทำผิดทากาที่ดีโดยทุกประการเป็นเองเขาก็ไว้ชีวิตปล่อยให้มาเจ็เนี้ยก็ขม า, าราคลเล็กพาฐานกลับไปเมืองเสเขียงเลยผล เ, เ, ยเล็กเดดมื่อชายชนะแล้วนขาจาัดศึกด้านนี้สําเร็จแล้วข้าทหานถือนี้ถือแจ้งเมื่อความไปกลาภูริเร็วเหล่าเสียนะเสเ่ยงหนเมืองเสกถ้วนแล้วก็จับทารออกเป็นสารกองให้กวนหินเปลือกเปล่ากับปีเหอียนเป็นทัพมน้า ขัเ ร, รีบเคลืน่นทับกลับไปยังยุทธภูมิเขาปีกสางอีกเพื่อจะดำเนินการรื้กับโจติมกัน อยาาอทหนอาน เ, เก่าที่มีวิญคนหนึ่งยอดฐานรุ่นเก่าที่เหลืออยู่เนี่ยแต่ในตีนลูกอีเอียนเนี่ยมีเอยนดาบควันถ่โรตีนแม่ทัพของท่านขุนพลเลื่อนแสบตกมาตายอีกคนนึงคือตีจังคุณฐานหยุ่นโปรตนไปายหลังก็ไปทุกเบืเ่อตีเลื่อนหนมีมาขวานทางอยู่ตีนลูกไม่ดา่าตีนลูกไม่ดา่า รวบมา้าขับไปรบเอาทวนแทงปูจีจ้านตกม้าตายเลยคือไม่ได้บอกว่กกี่เพลงคนหมายความว่าคนไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำเรื่องําเพลง็นหน้าก็ควบม้าเพลิดขับไปทวนแทงตายเลยนี่โจต ก, กับปูจ้วงอ่ะที่ยกทัพตามมาภายหลังเนี่ยตัวทัพมากโจตินกับปีจา้านเนี่ยเปน็นอันตรายเลยต้องสองคนคก็ยกฐันจะกลับค่ายสิ ก็พอดีเตือนหวินเตียวเป่าสองนิ่ขาดเขือยกมาถึงก็กกขับฐานเข้ารถลอรถ้อมลบทุ่นเป็นสามากโยตีกับปีเหี้เห็นหรือกำลังตกพวกมาปันฝ่าจากที่อ้อมมหนีข้างป่าไปหนีได้ทนแล้วก็แต่งมือซือให้ฐานถึงขึ้นไปยังเมืเองลเบขียนคือตอนนี้พระเจ้าเจยอนเสด็กมาประทับอยู่ที่เมืเองลพบยี่แล้ว อาหัวโผล่ไปมือหน่วน่าไม่ได้อยู่เพราะสร้าล็อกเอียงแล้วใหญ่โตโล่เงนเงนไปหัวโผนะก็ได้อยู่ล็อกเอียงเอามีอถือหนานถึงไปมีอล็อกเียงแจ้ความนักเรียนไปแก่ระเจ้เตยยอยให้ได้นเส้นฟ้าและขอกำมันกองทับหมุนให้มาช่วยเหือฝ่ายพระเจ้าเตยย่อยไม่แจงความบังนั้น ก็รู้ถึงความพลาดแพ้สูญเสือพื่อนรักนะมิเช่นเจ้าของ ก, งกำลังกองเข้าไ้ช่วยยังทําไมอ่ะก็ตกใจก็ปึกษาคุณนางทั้งตัวว่ากองทัพของเราเสียทีแก่ขนเบ่งแตกหนีมาฉันพันทั้งตัวจะคิดอ่านแก้ไขประการใดอย่างไรดีหวัวหินคุณนางเก่าแก่ที่ปึกษาคนสําคัญค น, นก็มีทูลว่ากองทัพขนเบ่งยกมาครั้งนี้ เห็นวยใหญ่ดู น, นะครั้งจะนิ่งดูแนกองทัพคนเร่งยกเร่งเข้ามาเราก็จะทำการเด็ขัดสนขอเทเรย์ยกกองทัพหยมอออกไปเองเถอะคุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งตัวจะได้ตั้งใจทำประ ก, การถวายให้สิ้นฝีมือเจ้าหูได้ฟังก็ถุนอะที่จะเป็นนายทัในม่กองทั้งตัว ใหรูห้จักทีเสือทีได้เอาใจบำรินพระแก่ทหารทั้งตวงถ้าผิาดใดมีความชอบก็ปืนบำเน็จให้ถึงธนาถ้าเกิดทำพิษก็้เล็นโทษตามอาญาแม่รัพอังโจจินเป็นคนผู้ใหญ่เคยทำราช ก, การมากว่ิแต่โจจินมีศิษผู้มีกับผมด้วยข้าพเจ้าเห็นทหารอยู่คม มีพิมีเข้มแข็งและปฏิปัญญาคู่ควรกับพวกหลงทู่นี้อยู่แม้พระองค์จะโปรดให้ออกรบกับพวกหลงเหมือนเด่งผู่นี้แล้วถ้าเสียทีแตกพ่ายเข้ามาข้าจะเจ้านี่แหละจะขอถวายศษะประการทั้งโคกแต่เกรงว่าพราะองค์จะไม่เห็นด้วยจนหยุดผู่ฉันจนหยุดูดถึงข่าย สติมือสติปัญญาเอาเขียนตับสมเด็กในเหตุไรโจหิวเนี่ยกล้าถวายไม่ใช่แต่เฉพาะทิศละของตนเองทิ้งทั้งโคตรเลยเอาทิศละคนทั้งโคตรมาประกันเลยทั้งโคตรนี้ท่านนับตนเองเป็นกลาง น, นับขึ้นไปสามสถ้าจะนับพ่อแม่จะตายยายแล้วก็ไปดูทวดอยากทวด แล้วก็นับขึ้นไปอีกแล้วก็นับลงมาสามเอาอลูกหลานเหลนว่า ง, งั้นจะมีเป็นเจ็ดท่านโหตรนะครับพ่านเจอาโจยยอได้วควังจงยืนราหูเข้มข้นดังนี้ก็ปรัดว่าบัดนี้ขงเบงทำการกำเริบได้ทีอยู่แล้วก็แม้ว่าท่านเห็นผู้ใดจะอาสาออกทำการได้นะก็ว่าออกมาให้แจ้งเถอะเรานั่นนี้ได้ขับ จงหิ ว, วก็ถุ่มาอันคุณนางผู้ใหญ่ในเมืองเสฉวนนี้ขบเจ้าก็ไม่ได้เห็นที่ใดเลยนี่เป้วนวีญงคงอรำประบอต่อไปอีกขบเจ้าเห็นแต่สุมาอี้ผู้เดียวที่มีคติปัญญาว่าแหวนพอเจ้าไทายชนะขนเมื่องด่นพระเจ้าจะยอเด็กกวามนี่ก็ ว่าพี่พุ่มว่านี่ชอบนะได้บัตรนี้คืูมาอี้นะอยู่ที่ไหนหรอคืนมันไปแล้วพระเจ้าเตยยอนรุ่นรุ่นคมาอี้ไปแล้วพอนเสร็จไปปลดคืมาอี้ออกเป็นไพ่ให้กลับไปอยู่เป็นไพ่ธรรมาหาทิมดิทิมเดินรีบไปแล้วมาบาัตรมีถามไม่ทไหนอยู่ตันโนบัรเจ้ามก็ถือละขาพเจ้าดยมีขาว่าคือมาอี้ ไปทํามาหากินอยู่ที่เมืองอ้วนเสียพระเจ้าเกย์ย อ, อได้ความดังนั้นก็แต่งนนหนังศีรษะเป็นใจความว่าตั้งให้ซูมาอี้เป็นขุนนางเหมือนแต่ก่อนแล้วให้จัดแจงทหารยกไปณนเะขากีดสารมันเจบกับกองทัพหลวงณเมืองเงงตียนอันแล้วจะยกไปทําสืบกับขุนเล็ก ใจความมู่สรับฟังเป็นชนิดในฐานที่ถึงถุนี้ไปถึงมาอี่นะเงินเตื้เสีย ไงละต้องว่ากันอย่างนี้เลยจากแผนการก็เอาละว่าองุ่นกท็ทำยี่คือิมาอีกซบเซาไปเลยถูกถอดเป็นไพร่ไปแต่วนี่ยังดี นี่จะได้ออกสุดละไอลิกล่าวข้างฝ่ายตรงเด้งโยกกลับมาถึงเท้าอีกสารด้วยความปีช้าช้าในสติปัญญาขณะที่ไปตรงนี้วางแผนการไว้ผลดีผลดีละเอ้าทีนี้ก็ดีว่าหกเหลืองจะส่งคนสอบแมนคนาไทุกเปิดการข่าวสารนี่เป็นที่สําคัญหนึ่งที่สุดจะต้องรับรู้รับทราบเหตุการณ์ต่างๆนามาทั่วไปอยู่ทุกขณะ น, นี่ท่านต้องเป็นเช่นี่ สำคัญ ท, ที่สุดคือข่าวสารทัานผู้อ่านการสื่อสารและจะต้องได้ข่าวพี่เด็กก็บอกเป็นข่าวอัญแพ้จินเด็กมีควาสามารถบดขยี้โจกินได้ทั้งที่ตัวเองไม่มไดีของเด็กดียกกลับมาถึงเขาอีสารจรีนเด็กว่าโจกินแตกหนีไปแล้วก็ยินดีให้ฐานยกเข้าไปตั้งอยูใ่ในไข่โจกินเลยก็พอดีทานเข้ามาบอกว่าอลิม คึ้นดูนม่มเป็นอันโดเซอลิงอองผู้เป็นบุตรมหาท่านผมงก็ะสะดุบบ้ใจทีเดียวว่าเอ๊ะเห็นกองทัพมือกลางตั๋งจะยกมาตีมือเสฉวนเจ้ากระมันนี่ไม่ประมาณการเืองหน้าก่อนอย่างนี้เลยจะถูกปฏิการใบนี้แกเยักษก็เียกหาเซอลิอองเข้ามาแล้วก็ถามว่าทำมาดุระอันใด ลีต อ, องก็บอกว่าขบเจ้ามหาทุนบักนี้ดื้อเรื่องเบ่งต๊ะ จับผีถึงของให้ใจเป็นอันมากและตั้งเบงตัดให้เป็นขุนนาที่ใหญ่ไปรักษาเมืองทรงยนครั้นเจ้าผีเตรมรับไปแล้วบงตัดกยยอยได้สมบัติคุนนางทั้งวมชวนกันที่สยาเมเบตัดเป็นอันมากเ่งตัด ก, ก็ไม่มีความสุขคิดถึงพระคุณท่านึ่งเคยทาการพิจารณามาแต่ครั้งก่อนนั้น กับข้าบเจ้าว่าได้ทําความผิดแล้วก็จะขอทําการแก้ตัวใหม่แม่หมาอุปราชโปรดให้แล้วก็ให้ยกไปตีเอามือเตียงอันทึกเบ่งตัจะยกฐานหนึ่งเซนเยี่ยงหนึ่งมือ ส, สินเสียหนึ่งเมืองตีเสียงหนึ่งบรรจบกันเข้าไปตีเมืองโลกเอียงแทนคุณหมหาอุปราชให้จึงได้ อันนี้เป็นมือสาคัญทีเดียวขนเบิ้งเด็กฟังความที่นี้ก็ยินดีนะไม่เคยควานที่เโดนสฝืนใจคิดว่าการตั้งยกทับมาตีเฉยเฉวนีดก็เป็นข่าวดีเรียกว่าตกูกลับมาเป็นนิดกว่าอย่างนี้เถอะขาดเก่าที่เอาใจออกหาไปแล้วสนึกได้ยอมกลับเข้ามาสามพักตามเบมิเ้มเราโดยประการสําคัญ เด็ก e ํำลังต้งสามเรียงหนึ่งเนี่ยถ้าตีเรียงเปียงอันเดียวนก็จะมเป็นประโยชนยู่ขุนเปิงกอบกินว่ไม่ได้แกนีอ๋อผู้นาขาวมมาแจ้งเนี่ยเป็นอันมากทีเดียวล่ะเมื่อในขณะนั้นฐานคอยเหยก้นน้วความมาแจ้งแต่ขุนเปงทีเดียวนี่ขุนเปิงมีฐานคอยเหยฐานคอยเหยฐานกอดเมนเหล่านี้มากฐานคอยเหข้ามาแจ้งข่าวไปขนเปิงว่าหมัเกยอย เดินนี้รับสั่งไปแต่งตั้งชุมอาที่เป็นคุนนานสู้ใหญ่และยกกองทัพมาบรรจบเป็นกับโจอยน์ณเมืองเตียนอันมีนขุนบินเด็กควางกันตกใจสะดิ้งทีเดียวอาเจกผู้รู้ดีแต่ตำราไม่ว่าแกคุนบิงหรือว่ามาเจกนี่เขาถือเป็นคนเก่งมากเขารู้แจ้จบตำราหมดสิ้งเลยมาเจกก็ว่าแกขุงทีเดียว ถึงเจโยอยจะยกทับหลวงมาตั้งบนเตียงอันจริงก็จะกลัวอันใดเราจะคิดอ่าณภาษาแมะจับตัวให้ถึงได้มีมาเจกี่คขาคนเก่งของเบงก็จริงว่าเราจะกลัวอันใดกับเจโยอยเราเกรงแต่สุมาอี้คนเดียวมีสติปัญญาหลักแหลมนะถึงเบงตัดจะยกฐานขึ้นไปตีเอาเมือหนวงแม้พบสุมาอี้อะ เบงตัดก็จะต้องเสียทีเป็นมั่นคงพราะความคิดเบงตัดอ่อนกว่าสุมาอี้นะมาเจกได้ตอ น, นก็เห็นด้วยสิเดี๋ยวก็จริงว่าและถ้ากรณนั้นจะนิ่งให้เบงตัดเป็นอันตรายจะก็มีช็อตจํำจะต้องหนุนหนุนไปกำชับเปล่นสติได้ก่อนผมเองเก็จึงแต่งหนุนหนุนถึงเป็นใจความว่าเบงตัดเป็นคนมีสติปัญญาคิดจะทำธุร ก, การ ไปปีมือโลกเอียงสนองคุณพระเจ้าเราเซียนนั้นเราก็ขอบใจมีความยินดีด้วยแม้สำเร็จราช ก, การครั้งนี้ความชอบของท่านก็จะมีในพระเจ้าเราเสียนมากกว่าคุนนางท่านปวงบัดนี้เราได้ยินกิตติศัพท์วาเจยอยตั้งให้ซุมาอี้เป็นคุนนางผู้ใหญ่แล้วให้จัดแจงทหารมาบรรจบเป็นกับกองทัพ โยยณเนะมองเพียงอันอามาบรรพันกีนกันกองทัพเจยอยอที่มีเจจินเป็นแม่ทัพอนะณมีองเตียงอันเมมาอี้รู้เนื้ความว่าท่านจะเกิดทำการชลิดคือจะยกทัพไปตีเราเพียงนี่ยซูมาอี้ก็จะยกกองทัพมารบท่านเป็นการตัดสึกซะก่อนเห็นว่าท่านจะทำการไม่สาเร็จ ให้เบงตัดท่านคิดอาระมัดระวังตัวให้จงหนักจะใช้แักแก่ฐานทั้งปวงกดกรตรองจนหนักจนดีอย่าให้รู้ถึงสุมาอี้ได้มีคนได้มี้นังสือบอกไปอย่างนี้เขาประดิษ์หนังสือเซงเลกาลีอองนี่แหละถือกลับให้กันได้ตัดณนะเมืองซงหยม ผู้นาข่าวดีแบบเบ่งตัดสามีพัดด้วยมาแจ้งแก่คนเ่งแล้วบัดนี้กดนาข่าวนี้ต่อให้เบ่ตัดเนี่ยรีอองกดรีเดินทางไปทีเดอืไปถึงมูนิธิหยงก็ข้าหาเบ่ตัดแจ้งเรื่องความต้องการให้ฟังละ่ะว่าเป็นเจราจา ก, กับมหาปรทยาลแล้วเป็นปการไปจับรารแล้วก่อ น, น, นอหน่ื่อยิ้มให้เบ่งตัดรับหนงสือมหาวิทยาลัยเหมงผองเ่งมาทีก้นออกอ่านดู แจ้งใจความมือแล้วก็หัวเราะทีเดียวอยู่เบ่งตัดคนเก่งหัวเราะแล้วก็พูดแบบความคิดขเนเบ่งเนี่ยดีจริงแต่ว่าคิดเกินไปคิดสูงกว่าการไปอย่ดูเบ่งตัดประมาทความคิดของเรื่องออหกหลมขอเบ่งไว้อย่างเนี้ยความคิดขเนเบ่งดีจริงแต่คิดเกินไป สูงกว่าการปัดและเบงด่ก็แต่งหนังสือฉบับนึ่งเป็นใจก ว, ว้างว่าขาบเจ้เบงตัดคำนับมาถึงหมหาอุปราชซึ่งท่านมีเมตตาช่วยเตือนสติมาทั้งนี้พระคุณหาที่สุดนิดหน่อยข้อสิ่งวัตสุมาอี้นั่นน่นนะมหาอุปราชจะวิปตกเลยเขาบเจ้าจะรับเป็นผุรับเองเพราะวัตสุมาอีน้น่ะยู่ณมืองอ้วนเสียนั้น ท่านไกลาจากเมืองลกเอียงเนี่ยแปดพันเส้นมีปริศวิชาคขบวนระยะทางกันละฟังหัวไปตัดเขาบวกกบคูนหารเลขเก่งนะวัตสุมารีอยู่มืองอ้วนเสียเมืองอ้วนเสียห่างจากโลกเอียงแปดพเส้นแต่เมืองลกเอียงมาถึงเมืองเซนหยงที่กาบเจ้าอยู่นี้ท่านไกลมีสองพันเส้นอื่ ปรมาเอียวรือเนื้อความกว่าจะขึ้นไปบอกเจยยอย 8,000 ันเส้นกว่าจะยกฐานมาถึงขะเจ้าอีกมี่อสองพเส้นรวมเป็นสองสองมเส้นสักเดือนหนึ่งก็ยังไม่ถึงนี่เขาเห็นผมีนทีดียวอีกประการหน่ฐานทั้งสามหัเมนี้ขบเจ้าจัดแจงไว้พร้อมแล้วถึงม า, าวประมาเอ ยกมาข้าพเจ้าคงนิ่งกลัวจะรบเอาชัยชนะให้จงได้มีหนังสือเบ่งตัดแสดงปัญญาล้าลึกไปทีเดียวแล้วเบ่งตัดก็สั่งให้ลี่อ๋องถือหนังสือเนี่ยกลับให้แกคงนิ่งลี่อ๋องก็ถือหนังสือกลับมาเอามาถึงข่ายก็นิ่ซื้อให้ผงนิ่แแ้งเมื่อกว่าเมื่หนังสือคงนิ่งตัดก็โกรธทีเดียวทีหนสือก็เลย ลูกขึนสะัดมือกระพือเ ท, ท้าทีเดียวแล้วก็พูดแ่บเบงตามันคิดการดูหมีสศัตรูชนีจะต้องตายเพราะฝีมือทูมาอี่เป็นมั่นคงคงเบงกล่าวดังนี้เลยมาเจกผู้มีปัญญาอยู่ในที่นั้นด้วยก็สาบความในเกณหมายการขมุระยะทางกันสิ้นแล้วนี่ แต่ผมไม่มาพูดอย่างเนี้ยว่าเบ่งตัจะต้องตายเพราะพิมีชุมาอี้เนี่ยมาเกต ก, ก็ถามว่าเหตุใดมหาอุปราชถึงว่าชะนี้หรอผมไเ่ก็ริว่าคำโบราณกล่าวไว้ว่าพูดจะเป็นขบคิดร้ายต่อท่านแม้ไม่รู้ตัวกงทำการได้สะดวกบัด น, นี้เบ้งตัดนะทนงปมคิดการผิดป และซูมาอี้น่ะเป็นขุนนางผู้ใหญ่ถ้าสุมาอีอ้ร่วบเบ่งตัดเป็นขบสุมาอี้จะต้องกลับไปบอกโจยอยทําไมให้ชาแตกการสุมาอี้มีกระจริญยกฐานมาสักสิบวันก็จะถึงตัวเบ่งตัดจับตัวเบ่งตัดแล้วก็กลับไปบอกแกโจยอยเนี่ยจะหนีได้หรือท่างทั้งหลายลองคิดดู เหตุใดจะต้องกระทำการโน้มนวดดังที่เ่งตักกล่าวยอดฟูมาอี้จะต้องเดินทางไปเมืองโลกเหอยียงแปดพันเส้นจากเมืองโลกเหอยียงกลับมามืองทงหยองอีกหมื่นสองพันเส้นนะเรื่องอันใดนี่ท่านทั้งหยได้ฟังความคิดของขงเบงดังนี้ต่างก็เห็นแจ้งเด็กกันทุกคนขงไม่ก็แต่งหนังสือสเอกสารตัวที่ไปติดเอาไปให้เ่งตัดเป็นใจความว่า ัเแ ม, ร, ม, แมรู้ไปถึงสุมาอี้จะเสียการมีใจความเท่านี้ทหารก็รับมือเส้น้นำมับรางไม่งแล้วก็รีบออกเดินทางไปทันทีจากความตอนนี้ระวังความคิดของเบงปะผู้เป็นนักคำมวลชั้นหนึ่งว่าอย่างนั้นเลยนะ ว่าพอสุมาอีจะทําการต้องเดินทางไปแปดพันเส้นไปกราบปูปเจ้าโจยยอยขอรับสั่งสะ ก, ก่อนแล้วก็จะเดินทางมากราบตนผมไม่เห็นชูชีพนิทิ้งเลยพอรู้รุดซึ่ง <c oughs> ก็กราบสั้นๆนะ่ะเพราะเรื่ออะไรจะต้องเดินทางไปกราบมาเดินทางไปกราบปูนกรเจ้าโจยยอยก่อนก็มีเพื่อเดียวออกมาถึงไม่ตัดเลยตัดหัวไม่ตากเสร็จแล้วเอาไปกระว่างที่เจ้าโจยยอยเนี่ย ม, มันจะไม่ดีกว่าเหรอมีอหละเอาไปนี่มกากรา่ายสุมาอีละ่ะไฟสุมาอีตันงแต่ถูกถอดแล้วเอาก็มาเป็นใครเป็นคนธรรมดาอยู่ณเมียนอ้วนเสียก็ ร, รู้ว่ากปเก่าโกยยอยแต่งกองทับออกไปทำสึกกับคนเด้งเสียทีเป็นหลายครั้ง สุมาอีก็เสียใจแต่โทดใจใหญ่ทำอะไรไม่ได้พู้นทํทอะไรไม่ได้แต่เก่งการสามารถล้นฟ้าก็าตามเถอะในเมืม่อไม่มีอำนาจที่จะไปกระทำอะไรกับเขาดา้ก็ทำไม่ได้ผมเป็นเป็นใครอะสุมาสูกับสุมาเทียผู้เป็นบุกสุมาอีมีสติปัญญาลักเวน้น ซูมาอี้ผู้พ่อเนี่ยเด็กสั่งสอนเนี่ยทำมาในกระบวนการสงครามมาแต่น้อยซูมาพูอยู่กันสองเห็นซูมาผู้พ่อถอดใจใหญ่อยู่เช่นนั้นก็าถามว่าบิดาบิดาวิปปในการได้สิ่งใด้เรื่องอะไรเนี่ยซูมาอี้ก็จิงว่าจะเป็นเบกถึงบิดาจะบอกก็จะรู้อะไร สุมาสู๋ก็จริงว่าชีวิตตกของบิดาเนี่ยเขาไปเจ้าแจ้งอยู่แล้วมีสุมาสูผู้นี้เลยขเขาจะแจ้งอยู่แล้วเพราะพระเจ้าเจ อ, เอ ย, อยละเมินเราเสียถอเป็นไข่ข้าสุดกินเรื่องบูมิงเข้ามาได้ถึงเพียงนี้ทีมาเกี่ยวโดยฟังสุมาสูที่ชายวันนั้นก็ันเราะแล้วก็พูระ่ะบิดาอย่าวิตกเลย พระเจ้าคเดูแล้วเนี่ยนิช้าวันนี้ก็เวลาบ่ายเนี่ยเห็นว่านั้นเส้อรับสั่งพระเจ้าโจยยอยจะมาถึงท่านและบิดาท่านก็จะมโอกาสได้ช่วยสนับุังผันดินเป็นมั่นคงนี่เขาแสดงความสามารถสติปัญญาของบุตรชายทั้งสองของสุมาอี่ออกมาอย่างนี้เลยสุมาอี้บอกว่าเรื่องผู้ใหญ่ จะเป็นเด็กเนี่ยเขาไม่รู้อะไรหรอกชูมาสูบอกรู้เลยพ่อวิตตกก็เพราะพระเจ้าเจยอนไม่สนใจการบ้านการเมืองมันวุ่นวายกา้าวไปก็มาดูมินมีปัญญาชูมาสูปัญญาชุมาเกี่ยวผู้เป็นน้องเนี่ยหนักไปกว่านั้นอีกบอกว่าไม่ไม่เช้าวันนี้ก็มลายวันเนี้ยจะต้องมีหนังสือรับสั่งมาขนาด น, นั้นทหารก็เข้ามาบอกแต่ชมาอีว้ว่ะ วันนี้เพระเจ้าเจยอยให้ข่าวดามเป็นเอกประกันเิญ น, นิพพรับฟังมาถึงแล้วสมัยอีหรือฟองก็ดีใจจัดแจงที่ฐานกรอบรับคนหูนือรับฟังเสร็จแล้วกรอบคำนับกราบลมาถีบตามตามธรรเนียมแล้วก็เชิญ น, นิพพุสรฟังเข้ามาอ่านแจ้งเป็นใจความแล้วคือรับฟังแต่งตัง้งเป็นแม่ทัพจัฐานไปช่วยโจกินน่ะที่ยุทธภูเขาทีสานนะสากใจความแจ้งแล้ว สุมาอีได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งเดิมแล้วนี่ก็ฟั่งเจ้าเมืองได้เลยสั่งการจัดแก่งขารจะยกไปเมืองเตียงอังตามรับสั่งแหละก็พอดีขนาดนั้นฐานเข้ามารายงานว่ากินหนีจะเมืองกินเสียไายสารคนสนิทมาวาดจะบอกความรับแต่ท่านสุมาอีเด็กฝังก้เรียกตัวเข้ามา อาหารขอ ง, งนีีก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ามาหาเทมบัตเนี่ยก็หวังที่จะแจ้งความรับอันสำคัญด้วยว่าเบงตะซึ่งอยู่ณเมืองฟงหยงนั้นคิดขบทจะไปเข้าเด็กของเบงเป็นเหรียนผู้หลานกับลิจูคนสนิทเด้นนำความมาบอกแกซึนฮี ทิ้นี้ทิ้งให้เขาเจ้าหรือมามความนี้มาแจ้งแก่ท่านสมาอีพอเด็กความนั้นก็จริงว่าแม่เบ่งตัดกับผมเบ่งร่วมคิดกันเขาได้แล้วเบ่งตัดก็จะรับอาสายก ไ, ไปตีเมล่โลปียนผมเบ่งก็จะเข้าตีเอาเมย์เปียงอ๋นก็จะสาเร็จโดยง่าย นี่หากด้วยว่าบุญพระเจ้าโจยยอยของเรายังมากอยู่จริงพระเอออเนี่ยพระเจ้าโจยยอยนะกลับลำ้ำลึกนึกถึงเราได้นักถือตั้งเราเป็นคุนนานบังเก่าแล้วเมชบุญนี้จึงให้เราได้รู้เนื้อความอันสำคัาเรื่องเบงตัดก บ, บทขึ้นแล้วนี้บัดนี้เราจะหนีแค่ก็มีชออ จำจะต้องคิดอ่านไปจากตัวเบ่งตัดเพื่อตัดความคิดของเบ่งเสีก่อนเห็นของเบ่งจะต้องถอยทับกลับไปแน่สุมาอีวัยยันสุมาสูลูกชายคนโตเขาจิงว่าเบ่งตัดเป็นคนเงิงผู้ใหญ่ขอให้บิดามีหมบอก มีหนังสือขึ้นไปกราบภูนพระเจ้าตัวยอให้ได้ทรงชราบก่อนเถอนี่สุมาสูก็กคิดคิดเหมือนเนบ่ปตาแหละคิดได้เท่านั้นแนะนำให้พ่อมีถือไปกราบภูิก่อนก็แป0พันเส้นเลยอร อ, อยะทางนะสุมาอี็ดียว่าอันการขาบถอกขบวนนี้จะนิ่งอยู่ช้านิดได้ขาเส้จะมีกำลังมากขึ้น เราคิดอันจะยกกองทัพไปจับตัวเบ้งตัดแันก่อนแล้วจึงจะกลับมากราบองค์พระเจ้าโจยย่อยตบภายหลัง จะ ต, ต้องไปจัดการกับไบตตักก่อนแล้วถึงจะลับมากราบทพระเจ้าเจอยอยต่อภายหวังแล้วสุมาอี้ก็จึงคิดกนัวบาเยยทีเดียวให้เลียนกีถือหนังสือรีบให้ไบตตักเป็นใจความว่านีน่เขาเขาเริ่มบ่นเบือนอะ่ะทีทั้งที่รู้เบตต์ตักเป็นกบอแล้วเป็นกระบอกบบต่อพระเ จ, จ้าเจอยอยล่ะแต่สมมยอีกก็ทําเป็นไม่รู้ เป็นการบิในขึ้นแต่ภาวะให้จัดแจงสเบียงหาไม่พร้อมสมัยเป็นแม่ทพแบบวั่งกะเองอะสเบียงอาหารถ่ายพงตานนาได้ให้จัดแจงสเบียงห า, า, า, าไม่รพร้อมเราจะยกกองทัพไปบรรจบ ก, กันณเมืองเตียงหันทําศึกกับขงเบ๊กมีแจงสื่อไปดั่งนี้ให้เลี้ยงกีไปพราะเลื้ยงกีไปแล้วสมัยก็จัดแจงทาหารยกออกจากเมือง บระยะทางสองวันก็ไปพบสิหลงสเหลงนี่ขุนขวานทหาร่าวผู้ฟักเื่อต่อโจมิงเตโชสิหลงคนนี้สุมาอีไปเก็บสิหลนขุมฐานมาีเหลนก็ลงจากหลังม้าเข้ามาหาสุมาอีแล้วก็บอกว่าบักนี้พระเจ้าโจยอยจะแจงทหารจะยกไปเมืองเตียงอเห็นท่านชายอยู่ทีนี้ก็พปจะมาตามไปรีบยกกองทัพไป สุมาอีก็จึงบอกว่าบัดนี้ไม่ตัดเป็นขบกเราจะรีบไปจับไม่ตัดซะก่อนแล้วสุมาอี ก, ก็เราเนี่ยความตั้งตัวเนี่ยที่หลงฟังทุกประการละที่หลงได้ฟังเราก็โอนด้วยเป็นความจริงต้อไปจับไม่ตัดก่อนสุมาอีกค่อยที่หลงนี่หละเป็นกองหน้าให้บุตรทั้งสองคนของตนเนี่ยเป็นกองหลังรีบยกทหารไปไปถึงกลางทางก็ไปพบกับทหารของเบ่งตัด ที่ถือนังสือให้ผมไปแล้วเดินทางกลับมาเนี่ยเจ้าทหารผมทำภาพเป็นรูปหลาดก็ถูกทหารสุมาเอะจับตัวได้ทหารสุมาเอะจับตัวแต่ทหาร น, นี่ไม่ให้กับาเอะไม่ให้กับสุมาเ อ, อะสุมาเอะก็สอบสวนทีเดียวว่าตัวเนี่ยเป็นทหารใครไปไหนมาให้บอกตามจริงเราจะไว้ชีวิตแม้นอําพราเราจะปักศษีษากันแบบนี้ หรือหงสนืนัน้ัวก็จำต้องบอกตามความจริงทุกประกา ร, ดารเดินฝันจะไม่งตัดไปสู่หกหลงอนะ่ะก็หนังสือของเ่งออกให้ดูหนังสือของเม่งมีมาเตือนไม่งตัดเนี่ยสุมาอีอ่านรู้แจ้งใจความในหนังสือนั้นแล้วเนี่ยคือใจความสั้นๆ น, นะว่าให้ระวังตัวให้จงนะไม่รู้ไปถึงสุมาอี้จะเสียกรรเนี่ย สมาอิบิเห็นฟลิปตกใจเลยก็ถือว่าความคิดของของเบงนี้ป้องกับความคิดของเราถา้าแม้เราเบงตัดได้แจ้งหนังสือฉบับนี้แล้วทําตามคําของเบงความสมบเร็จทั้งตัวก็จะมสมาเร็จตามความคิดเขาเป็นมั่นคงนี่สมาอยอมรับอย่างนี้เลยทีเดียวแล้วก็กล่าวต่อไปว่ามีหาดด่บลุ่มเจ้าของเรายังมากอยู่ เทพยดาจิงพระเอินชัดนำให้เราจับตัวเจ้าคนถือหนังสือฉบับนี้ได้และจากนี้สุมาอีกฟังเรื่อยกลองทับไปหมายเด็ดปะอยู่ในมือสมยง ถ้าไปคับชวนสิ่งหนีจากเมืองกินเสียสิ่งต่ำจากเมืองสิ่งเสียชุ่ใคลากันนะครับสองเมืองสิ่งหนีสิ่งต่ำอยู่เมืองกินเสียและเมืองสิ่งเสียเสียงคลายกันเตือนเอาจะมีทั้งสองตัวเบ่งปากนี่ก็รับไว้แต่ปากล่ะรับไว้แต่ปากแต่จัดแจงฐานกลิ่นวัด แล้วว่าถ้าสุมาอี้ยกมาถึงก็จะรับเป็นไส้สุดฮะเบ่งตายก็ไว้ใจนี่เลยสงสัสยเลยพ อ, อเอลกีถือหนังสือของสุมาอี่มาถึงเบ่งตัดเด่งตัดรับมนงสือมาอ่านดูแล้วก็เป็นใจความไม่จัดแจงระเบียงหันไปพร้อมเลจะยกท่าไปมันจบกันปิดินงเป็อันเนี่ยผมพอทราบความนล้วคิดว่าแบบนี้สุมาอี้ยกมาแล้วหรือ ย, อยังมีก็ถามขึ้นดีเด็ดเลนกีก็แกล้งตอบว่า จุมจาอีกจัดกองทัพจะยกไปเมืองเตียงหันแล้วควานที่จุมาอี้มาแล้วเนะี่ยเรียงกีแกลงบอกไปอย่างนี้ไบ่งตัดได้ฟังก็ยินดีทีเดีย ว, วด้วยความประมาทแต่งโต๊ะเชิญไม่เริ่งกีเสร็รุราเสร็จแล้วเรียงกีก็ลาเบ่ตัดออกจากเมืองไปหาสิ่งต่ำซึ่นหนีบอกด้วยความต้องพูนกิคืมาอี้ยกทัพมาแล้วเนี่ยบอกให้ซึ่งต่ำซึ่งหนีไม่ราบทุกเผ่าการนะซึ่งต่ําสิงหนีก็จินบอกว่า เม่งบัตให้สัญญายแก่เราว่าเวลาพรุ่งนี้ะจะยกธงสําคัญของของเบ่งขึ้นให้เราทั้งปวงได้พร้อมใจกันยกไปตีหนกกึ่งลกเอียงสิ่หนี้สิ่งตำ่ำก็บอกความนี่กับเลื่อกี่ขั้นฝ่ายเบ่งบัตจัดแจงทหารอยู่ในเมืองก็พอดีมีถามมาบอกว่านอกเมืองมีค่าศึกยกมาเป็นอันมากแต่นี่เด้แจงว่าเป็นฐานของผู้ใด เม่งตัดได้ฟันก็ตกใจขึ้นไปบนกำแพงเห็นธงสำคัญเขานี่ก็รู้ว่าเป็นกองทัพสิเหลืองยกมาธงประจำตัวสิเหลืองเม่งตัดรู้อยู่ก็จารชักสะพานปิดประตูเมืองไว้เป็นมั่นคงละกานฝ่ายสิเหลืองนี่ขวบมาพาฐานเข้ามาถึงครูเมืองเห็นเบ่งตั ด, ดยู่บนกำแพงก็ร้อง ด, าดอ่าทีว่าไอ้โจรขบถต่อเจ้าเห็นเร่งออกมากรุ้งตัดนีกูจะไว้ชีวิตให้ เบงตาก็โกรธสารไม้ถานกาทายิงลงไปเกาา้ทเาทันมันจ้ำเพาะถูกเขที่หน้าผากซีเหลงทางหารทั้งวงก็เข้าประคองตัวซีหลงแล้วก็ถอยทับกลับออกไปเบงตากเห็นดังนั้นก็เปิดประตูเมืองจะยกฐานกล้ติดตามก็เพราีู่มายิยกมาถึงเบงตากก็จึงจำต้องนําฐานกลับเข้าเมืองตั้งมั่นอยู่ในเมืองบางเดิมส่วนสุมายิ กขับผ่านเข้าล้อมเมืองไว้เป็นสามะฝ่ายิหลงนี่สิพิหลงขุมทหารเก่าดั้นเดินฝีมือสา ม, มากนะตอบอาวุธดั่งเดินของพิหลงขวานใช้ขวานเป็นหนุนฝ่ายพิหลงถวกเก่าทหารเข้าจัมเพาะพี่นับาาหาทหารประคองตัวกลับมาได้เนี่ย ออกมาตั้งค่ายอยู่พิษเกาพังกุ้มขึ้นมาพิเกาพังกุ่มรุ่มสมมาขึ้นมาเย็นวันนั้นเองฝิ่นหลงก็ถึงแก่ความตายเมื่อเกาพังจากฝีมือผานเหลวขณะเมื่อฝิ่นหลงตายนั้นอายุได้ห9สาปีสมัย ก็จัดแจงศพสีหลงเนี่ยส่งขึ้นไปฝังไว้ณเมืองอกเอียงตามบรรดาศัก์ของขุนทาหารใหญ่เป็นอันวัสิหลงจบสิ้นชีวิตเธอจะว่าแล้วสมศักดิ์สียยอดทหารเสือของโจมิเตโชคราตายในสนามรบ ได้รับการจัด ก, การไปตามยทบาบันดาลศาสตร์ตของท่านแหละทีนี้ฝ่ายดึงตัดเตะครั้นเวล า, ชาวเช้าขึ้นก็มันเชิญเทินเห็นทหารชมาอี้เข้ามารอมมือไว้โดยรอบมั่นคงเหมือนล้อดาาลมออด้วยตารางเหล็กก็คิด น, นิตกนะไม่รู้จะแก้ไขได้วยการใดก็พอดีเห็นสิ่ง น, นี้กับสิ่งต่าง ม, มาก็ดีใจสาคัญว่าจะยกมาช่วย เปิดประตูเมืองคุมทหารออกไปรับสิ้นหนีสิ้นต่ําเห็นอะ้รนั่นก็ขวบวมาเข้ามาทีเดียวแล้วก็ร้องด่าเบ่งตัว่าไอ้ขบดึงคขีตอริยตกดเจ้าก็เร่งไปหาที่ปลายเถอะเบ่บาดในที่นก็โตกใจคว้มาจะหนีกลับเข้าเมือนเ็งเหวียนกับรีจูอยู่บนเชิงเธอนี่ยก็ให้ทหารเอาปืนพันยิงป้านเข้าไว้แล้วก็ร้องว่าไอ้ขบดึงอย่าเข้ามาเลย กูจะเปิดประตูเมืองรับสุมาเอ้เอาความชอบดีกว่าเมื่อตัดเนตความก็ตกใจควบา ม, มาทานนี้จากที่รอ้องก็บริสินต่ำไล่มาทาันเอาทวนแทงถูกเม่งตัดตกมาถึงแต่ความตายและสินต่ำก็ตัดที่รษะเม่งตักมาให้แก่สุมาอี้ทหารเต็งปวงก็เข้ามาหาสุมาเอะแตเงเหียนกับลีจอือก็เปิดประตูเมือง เชิญสุมาอี้เข้าไปตั้งดินในเมืองก็เป็สุมาอี้เข้าเมืองทรงหยงของเม่ดตักได้ดสมบร็จเม่ดตักแต่จตกล่าวไปแล้วก็สมควรกับโทษทางของตนที่ต้องได้รับเท่านั้นแหละแล้วก็เบิดความประมาทเห็นว่าสุมาอี้จะมาทําอะไรตนไม่ได้แต่เม่ดตัดเกิดจบสชีวิตไปสุมาอี้เข้าเมืองได้ก็เปลี่ยนองให้ ราชดอนชาวเมืองดู ย, ย็นเป็นสุปกปกติและไข่ทหารเอาพิศะเม้งตักขึ้นไปถวายกับพระเจ้าเจยย่อยพระเจ้าเกยย่อยแกล้งเนื้อความต้องปวดแล้วก็มีความยินดีนักตีเด็กถ้าสุมาอี้กำจัดเม้งตักนี้ได้ในคราวนี้จะถึงทีต้องเสียภูโศเป็นมั่นคงนี่เมื่อสามารถกําจัดเม้งตักได้แล้วคนนี้ก็เป็นที่ยินดีดละ พระเจ้าเกยย้อยก็ดีพระทัยนะก็สั่งให้ศาลเอาทีา่สาบไม่ปัดเนี่ยไปเสียพระอาจารย์ไว้น้าทางสามแท้่กแลแต่งหนังสือรับฝั่งเป็นใจความหวังฟินตังกับฟินหนีมีความชอบให้ตั้งขึ้นเป็นขุนนางผู้ใหญ่ยกไปช่วยกันทําการสืบ ก, กับปุมาอี้แล้วให้ฤทธิ์จูเป็นเจ้าเมืองฟินเสียเป็นเยี่ยมเป็นเจ้าเมือสงสุนหยุ่ แล้วก็สั่งให้ฐานถือให้กาชูมาอี้เมือสมหยงแล้วก็เจ้าเจยยอยนั้นก็จัดแกงกองทัพ ย, ยกไปยังเมืองเตียงสังกายชุมาอี้บดม้มิถูรับฝั่งนั้นแล้วก็จัดแกงตามีมิถรับฟั่งลว คือแต่งตั้งผุ้ติดกทําคุณงาคณนาความดีในครั้งถึงตำแหน้นนี้เอาคุณคุณงานผู้ใหญ่อาลิจูเตเงเหวียนก็ให้เป็นเจ้าเมืองสินเสียนเมือนทรงยงเมื่อจัด ก, การตามมือรับฝั่งแล้วก็รีกยกกองทัพไปลุงเตียงอังรู้ว่พระเจ้าเกยยอยกมาถึงและเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองแล้วซุมาอี้ก็หยุดตหารตั้งค่ายอยู่นอกเมืองและตัวเองก็เข้าไปคว้พระเจ้าเกยหยอย พระเจ้าโจยยอยเห็นสุมาที่ก็มีความยินดีนก็จึงกลับว่าท่านอย่น้อยใจเราเลยซึ่เราคิดผิดเมาความแพ้แต่ความคิดกลมอุบายของขงเบ้งครั้งก่อนนั้นให้ถอดท่านลงเป็นไพร่นั้นนะเราขออภยอัยเถิดครั้งนี้เบ้งตามคิดขบดหากว่าท่านรู้หาไม่เมืองเราก็จะต้องเป็นอันตราย สุมาอียก็ทูกลาซึ่งซีงนหนีให้ทาหารไปบอกข้าราชการว่าเบ่งตาเป็นขบวนนั้นข้าราชกาก็คิดอยู่ว่าเบ่งตาเป็นขุนนางผู้ใหญ่ก็จำใจะต้องบอกหนังสือขึ้นไปกราบถึงพระองค์ให้มีหนังสือลงมาก่อนแต่ก็กลัวจะช้าไปซึ่งข้าราชการทำการครั้งนี้ละเมิดหนอกรับสารโทษข้าราชกาก็ผิดอยู่ตแต่เพื่อจะสรงปร มีสมาอบอกกล่าวที่นี้ซึ่งจริงมันเป็นความผิดแต่โทษขบวอย่างนี้มันก็มีการยกโทษให้ได้อาภัยให้ได้อะและสมัยอีกก็รู้สืกอของดึงที่ยึดมาได้จากต่อทหารเดินสารฉบับนั้นน่ะขึ้นถาวายพระเจ้าจยอยก็กล่าวว่าท่านนี้มีสติปัญญาหลักแหลมหาผู้เสมือนีด้ได้แต่นี้ไปเมื่อไหร่ ถ้าผู้นหนทำความผิดโทษถึงตายแล้วก็ให้ท่านข่าแท้เถิดอย่าบอกให้เรารู้เลยนี่ถึงปจะทานอาญาสุขเป็นพิเศษเลยทีเดียวแล้วก็ไปจะทานเครื่งยกสำหรับกระสับให้แกสุมาอีเป็นอันมักให้เร่งยกกองทัพไปรบกับของเบงสุมาอี้ก็จึงทูลว่าเตียวครับ มีที่มือเข้มแข็งเคยทําสุดมาเปน็นนันมาเข้าไปเจ้าเจ้ขอให้เป็นแม่ทัพไปด้วยเจ้าเจ้าโจอยอยก็โปรดให้สุมาอี้ก็ถวายบางโคแล้วก็พาเตียวครับยกทหารไปยังเขากิสานวะยิตรภูมิเขากิส า, าสนั้นสําคัญฝ่ายเจ้าเจอยอยครั้งแรกเตียวครับกับสุมาอี้คุมหารยกไปแล้วก็จึงให้ซุนผีซุมเลคุหลคหมหันอีกองดิน ยกไปช่วยโจกิ๋งขุนพลร่วมแสกฝ่ายุมาธครั้งยกรับใคร่พทั้งสิี 21, ่สิบล้านล่วงดานออกมาค่อยฐานทั้งดวงตั้งค่ายมันคงอยู่และก็เรียกหาเตียวขับเข้ามาปรึกษาว่า ซึ่งจะทาการรบพุ่กับขงเบงบักเนี่ยจะวิวานี้ได้โดยหอเหลงขงเบงคนนี้เจ้าปัญญาความคิดนี้นะอเมนไผ่เสียสู่งโจตินได้รักษาอยู่นั่นก็หล่อแหลมอยู่ฉะนัน้นขงเบงคงจะต้องแต่งกองทัพเป็นสองกองยกแยกไปปีอวุนไผ่เสียดําเินอีกก๊กเอาไว้ก่อนเป็นมั่นคงละ เราจะให้มีหนังสือไปถึงโจกินให้ระมัดระวังเกลือกลารักษาให้มั่นไวจะให้ซุ่นผีซุมเละคุ้มหนาไปซุ่นอยู่ที่ตำบลกิโก้คอยตีกองทัพของเบงมีสุมาที่วางแผนดึงขั้นขั้นขันขนขนอย่างนี้เดี๋ยวครับก็ดีว่าท่านคิดทางนี้ก็ชอบอยู่แต่ตัวท่านนั้นจะยกไปทางไหนจะไปตำบลใดหระสุมาที่ก็ดีว่า อันตะบนเกเติงกับเมืองหลิงเฟียนั้นก็ใกล้กันอยู่เป็นที่ขับขังนะแล้วก็เป็นปากทางที่จะเข้าคูเมืองฮันโขงนี่ฮันโงเมืองมากบางเมืองใหญ่สําคัญของเสฉวนเป็นทางจะเข้าเมืองฮันโขเนี่ยเราจะยกกองทัพไปซุ่มอยู่อย่าให้ขันรู้เห็นของเร่จะประมาทสําคัญว่าโจกินเลมเล่อยู่จะไม่กล้าเดินผ่านป้องกันเมืองไผ่เสีย ผมเด้งก็จะยกกองทัพไปตีเมืองไปเสียเอาถ้าเราให้กองทัพผมเด้งยกเมืองตำบลเก๋เปิงเข้าไปแล้วเราจะสะกัดทางเสียเมื่อสกัดทางมีให้ส่งเสบียงไปมาหาสู่กันได้ผมเด้งก็จะอับจนอยู่เป็นแม่แม้จะโยงไปตั้นยังเมงืองหลงเสเราก็จะแต่งฐานไปตั้งสกัดทางม้อยทางใหญ่ซะอีกจะมีทหารผมเด้งออกเพื่อหาเสบียงหาอาหารได้ ก็จะขัดสมดุงในที่สุดก็จะอยู่นี้ได้ก็จะต้องพาฐานหนีไปทางเมืองฮันตงฝ่ายเราได้ทีก็จะยกกองทัพออกโจมตีเอาเห็นจะได้ชัยชนะฝ่ายเดียวซูมาอีวางแผนการพับพยานี้ถ้าเราจะเห็นกันแล้วเอาไม่ใช่วางแผนรบท่าเดียวตีประนังกันค่าเดียว วางแผนสกัดกันให้เกิดความอับจนเองให้ตายแพ้ไปเองอย่างเนี้เดี่ยวคับมี่ฟังแผนการของซูมาอี้แล้วยกมือขึ้นคำนับเลยทีเดียวแล้วก็กล่าวสรรเสริญว่าท่านมีสติปัญญาเหมือนหนึ่งเทพพญานาคูมาีไนี่ก็ปรึกษาเสร็จแล้วก็แต่งหน้าื้อกนถือไปถึงโจอิมหน้ามืไปเสียแล้วก็กําัคับเดียวคับว่า ที่เราคิดอุบายทั้งนี้นถึงเห็นชอบนี่ก็ดีแต่ว่าอย่าประมาทอันโขเบ้นั้นนะจะเหมือนกับเม่งตัดมหานิได้ต่างกันนะเพื่อท่านเป็นกองหน้าจะยกฐานเดินทับไปเนี่ยอย่าดูเบาจงแต่งกองสอบแมนไปดูนิ้วทางท่านปวองแมนนี้เห่นผู้คนซ้ายขวาแล้วจึงยกไปถ้านี้เต๋อปลาให้ทรัพย์ทรัพย์เต๋อบูให้ขีดเครื่อง เห็นเห็นว่าได้ทีได้ทีแล้วจะรีบยกไปนะจะไปต้องกวนอุบายของขนเบ่งเขาเดยไม่ทำรู้ตัวทำไมอีกกำชับกำช้าอย่างนี้เตี๋ยวข้าก็รับคำแล้วก็คำนับลาออกมาโยกทหารออกองหน้าเคลื่อนทะเบียนไป เราเป่าทางด้านสมาทีกแล้วฉไม่เาทางฝ่ายคนเร่งนะขนาดนั้นคนเร่งน่ะยกมาตั้งดูนะเขาคิดสารคนเอาข่าวประชาการมาแจ้งนคนเอาข่าวระชการมาแจ้งคือคนเ่จะส่งผู้คนของตนออกไปสืบข่าวทุกระยะทุกที่ที่จะมีข่าวเข้ามาเนี่ยนี่เด้ข่าวเดินฟังืบข่าวที่ออาข่าวเข้ามาแจ้งอ่า มาจากโดยสินเสียเนี đây, b ảo, b ่ยเข้าไปหาคนไดแล้วก็บอกว่าบัดนี้สิ้นตังสิ้นหนีนิตย์เป็นเหวนซึ่งท่านได้ไปอยู่รักสามยิงสินเสียกับเบิตากหนักคนทั้งี่เนี่ยที่เอาใจออกฮะกลับไปเข้าดิสุมาหีเป็นไส้สุไทกับสุมาหิเขายกกองทัพลักมาทานประมาณ8วันแล้วเบิกตากําแบกหุ่นตัวสุมาฮียกทัพจงตีเอาหนุ่มสองคได้ ถ้าเงกัตถึงแต่ความตายแล้วแลวสไมทกลับไปทุนความแต่เพื่อเกยยอยแเพ้าเกยยอยนะ่ะยินดีพระทัยเปยี่นะักมีความกังวลบากลับให้เดวครับเป็นปองหน้าซูมาที่เป็นกองหลืองกานยกมาอีกจะรบกับท น, นความตัง้งทวนโดสรุปตั้งแต่เบงกัต เ, เตขีเงินเบงกัตตกขลาตายทุกรายงานมันยังพุ่หลงหมดแล้ว ฮกหลวองเบนเดแกลง้งข่าวมิจกคนสื่อสารของผมเนี่ยบดมือบาดาตายแล้วเอ่ามือสอ้นหยงเสือได้แล้วก็ตกใจทีเดียวของเบนก็จึงมาอี่ยกฐานมาครั้งนี้นเหนจะต้องยกน่กับยกั้นสักกับทัพเราที่ตาบลเกติ่งฮกหลวงอาอ น, นการอันเดียวกันเลยก็